ทุกคนก็มันเหมือนกันนั่นแหละเราสร้างสติดูกายมันก็เหมือนกันมีสติดูกายมันก็จะเห็นความหลงมันตรงกันข้ามความรู้สึกตัวกับความหลงมันตรงกันข้ามความรู้สึกตัวเนี่ยสร้างให้เกิดสัมมาสมาธิสัมมาสติเหมือนกับเพื่อตรวจสอบจริงที่ทำให้เกิดความไม่เป็นธรรม เห็นเครื่องตรวจวัตถุระเบิดจะซ่อนอยู่ที่ไหนก็ต้องลูในกระเป๋าในที่ไหนก็ต้องลูมันเป็นเครื่องโดยตรงเครื่องตรวจวัตถุระเบิดเครื่องตรวจวัตถุที่ไม่พิษไม่ภัยไม่มีตรงไห้ปิดบังอำมพางได้เหมือนกับสมัยหนึง่งผมไปประเทศสิงคโปร์ผมมีมีดตัดเล็บเล่มเล็กๆอยู่ในกล่อง เข็มเย็บผ้าที่คุณยูกิซื้อให้นานแล้วสิบกว่าปีมีเข็มไม่ได้มีตัดเล็กๆ เ, เท่ากับเส้น้าเลยก็ว่าได้เขาก็ตรวจตรวจแล้วผมก็ไม่รู้ว่ามันลืมไปว่ามันมีไ ม, ม, ม่เขาก็ทำเนี้ยมือ บ, บีบแป๊บๆอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้ผมก็บอกว่าไม่มีไม่มีเขาก็เอาอันนั่นไปตรวจเอานี้ไปตรวจเขาเหลืออันเดียวคือกล่อง เข็มเย็บผ้าเขาก็ให้เราแกะดูแกะดูก็เห็นมีดตัดเล็บเล็กๆโอ้เขาก็หัวเราะเราก็หัวเราะอมันขนาดนัน่นเนาเครื่องตรวจมันอยู่ในที่ไหนมันก็เห็นตรวจสอบจนเห็นมันเป็นอย่างนี้มันเป็นอย่างนี้การเจริญสตินี่มันโดยตรงอ่าถ้าจะให้เป็นเส้นทางเข้าสู่การตัดสู่ มันก็เห็นโดยตรงเห็นความหลงเห็นความทุกข์โดยเฉพาะความทุกข์ในโชว์โชวมากโชว์กว่าอย่างอื่นถ้าถ้าได้ตรวจสอบถ้าไม่ยังไม่ได้ตรวจสอบอันอื่นจะโชว์พมแล้วความชัางความไม่ตกกวามวกกนบนโดยเฉพาะความหลงโชว์ไม่ค่อยจะรู้จักถ้ามีสติเนี่ยความหลงความทุกข์ในโชว์ออกหน้าออกตา เป็นการที่จะทําให้เกิดการเข้าถึงวิธีการที่จะได้เห็นเอรี ย, ยสัตซีนะเห็นอเรียสัตซีแล้วคําถามที่ว่ามันเกิดสมาธิตรงไหนมันเกิดปัญญาตรงไหนอันนั้นแม่นตอบก็ตอบไม่ถูกหรอกผู้ปฏิบัติจะต้องเข้าไปเห็นเองเคยพูดอยู่เสมอว่ามันไม่มีคําถาม ม, มีแต่คําตอบอันเป็นสัจธรรมจริงๆมันเป็นแต่คําตอบ คำถามมันจะไม่เมสมาธิตรงไหนปัญญาอย่างไรทําลายความโลภความโกรธลงอยากไรแม้แต่ตอบก็ตอบไม่ถูกถ้าผู้ที่เจริญสติโดยตรงนะตร ง, นนนตรงไหนมันเป็นความหลงตรงไหนมันเป็นความลู่เขาจะจารู้จักดําเนินไปเองก้าวไปเองหลงทีไร เ, เขาก็รู้เพราะความลู่มันมีอยู่แล้วความลู่สึกตัวเราสร้างขึ้นมาแล้ว มันมีวัตถุตรวจแล้วเวลาใดที่มันหลงก็บรู้ึ้นมาการที่เขาใส่ใจที่จะให้เกิดความรู้สึกตัวอยู่เสมอโดยเฉพาะการเจริญสติตามหลักของสติปัฏฐานกายปพัพภะสัมปชัญญะปัปภะกิจปัปภะคือการเคลื่อนไหวของกายของกิจการเคลื่อนไหวของกายของกิจมันก็เป็นหน้าที่ของความรู้สึกตัว แม้มันเคลื่อนไหวโดยเราไม่รู้มันก็จะต้องรู้แล้วนี่เราใส่ใจที่จะต้องรู้อยู่เสมอมันก็ยิ่งรู้เข้าไปการใส่ใจที่จะรู้สึกตัวการใส่ใจที่จะรู้สึกตัวนี่นี่แหละคือตัวสมาธิที่เป็นสัมมาสมาธิสัมมาสมาธิเริ่มต้นตรงนี้ไม่ใช่สมาธินั่งหลับตานั่งสงบไม่ทําอะไรอ น, นั่นมันไม่ใช่ ไม่ใช่สมาธิสมาธิมันจะเกิดสมาถะอันนั้นจะเป็นสมาถิสมาธินี่มันก็เป็นรูปเป็นแบบอยู่ในกรอบอยู่ในถ้ำอยู่ในที่ทับที่กดเอาไว้ข่มเอาไว้ใส่กรอบเอาไว้ใส่กล่องเอาไว้อันนั้นเป็นเป็นสมาถะใส่กล่องเอาไว้กดเอาไว้ปิดเอาไว้แต่ว่าสมาธิเนี่ยไม่ต้องไปใส่กล่องแบบนั้น มันใส่ใจที่จะลู้อยู่เสมอเอาของจริงมาลู่เอาของไม่จริงมาลู้เอาของผิดมาลูเอาของถูกมาลู้เอาของที่เป็นทุกมาลู่เอาของที่ไม่เป็นทุกมาลู้สมาธิสมาธิตัวนั้นอะไรก็ตามมันจะเป็นสมาธิมันจะเป็นสมาสมาธิมันจะลู้มันจะเห็นของจริงมันก็เป็นของจริงของไม่จริงก็เป็นของไม่จริงไม่มีอะไรหลอกสมาธิได้เห็นความหลง มันหลอกความรู้ไม่ได้เพราะมันมีสมาธิมันทําเป็นแล้วหลงที่ไรก็รู้เลยสัมมาสมาธิมันทุกข์ที่ไรก็รู้เลยสัมมาสมาธิอะไรที่มันจะเป็นยังไงมันสมาธิมันเจ็บมันปวดมันร้อนมันหนาวมันหิวมันอะไรก็ตามแม้จะเดินอยู่มันเหน็ดมันเหนื่อยก็รู้สึกมันเป็นสัมมาสมาธิสัมมาสมาธิใส่ใจที่จะรู้ใส่ใจที่จะรู้อยู่เสมอ ระหว่างความรู้สึกตัวกับการใส่ใจที่จะเป็นสมาธิมันนันเดียวกันปรเสจา ก, กันไม่ได้ความรู้สึกตัวกับสมาธิกับปัญญากับศีลโมนเนมันเป็นนันเดียวกันเหมือนกับเราเปิดกล่องปิดกล่องมันนันเดียวกันหรือเหมือนกับเรากินข้าวที่เราว่ากินข้าวที่จริงมันไม่ใช่กินข้าวอย่างเดียวมาพร้อมกันทั้งกับทั้งผักทั้งอะไรต่าง เอากินเนี่ยมันไม่ใช่การคบการเที่ยวอะไรเที่มันแยกมันย่อยมันแยกอยู่ตรงนั้นแล้วจนอิ่มแล้วก็สําเร็จในความอิม่มอิ่มก็อิ่มจริงๆความอิ่มก็ต้องไม่ต้องไปถามใครมันอิ่มเราเองเพราะเขาก็รู้จากเขาอิ่มเราเองเวลาเขาเหิวเขาก็รู้จากเขาเหิวเขาก็รู้จากกินในการเจริญสติที่เป็นสติดูกายดูกิจเนี่ยมันเป็นของดุ้นดุนทันที แล้วมันก็ใช้ได้เวลามันหลงมันก็ใช้ได้มันเกิดความรู้สึกตัวมันใช้ได้จริงๆิงความรู้สึกตัวสติมันก็ใช้ได้จริงๆสมาธิมันก็ใช้ได้จริงจริงถ้าไม่มีสติไม่มีสมาธิเขาจะไม่เห็นความหลงไม่เห็นความทุกข์ไม่เห็นความรู้ไม่เห็นความอะไรต่างๆเพราะมันใส่ใจอยู่เหมือนเราใส่ใจอ่านหนังสือ มันก็อ่านหนังสือลู่ความหมายของหนังสือทำตามปฏิบัติตามเราขับรถใบจราจรเราอ่านเราก็ลู่เราก็ปฏิบัติตามตามันอ่านตามันเห็นมันก็อ่านขณะที่อ่านก็ใส่ใจอ่านมันก็ใจใจนนกเป็สติเป็นสมาธิเป็นปัญญาเอาตัวรอดได้สมาธิแบบนี้เป็นสมาสมาธิ สมาธิที่นั่งหลับตาอยู่ที่เดียวปิดห่องปิดประตูอยู่ในถ้ำ น, นั้นไม่ใช่สมาธิมันเป็นทำให้ฝึกสมาธะเล่นอยู่ในสมาธะสงบอยู่เช่นนั้นผู้ที่ไม่ค่อยมีงานมีการก็ทำแบบนั้นได้ถ้าจะให้พวกเราพ่อห่วงนั่นก็ได้ไปนั่งสงบอยู่ในถ้ำในเขาเอาปฏิบัติแล้วรู้ทำแล้วไป ปลีกตัวปลีกวิเวกไปอยู่คนหนึ่งคนเดียวมันก็ได้ผมเคยพูดให้ใครนอฟังจะมาได้ถ้าจะหาความสุขแบบนั้นนะ <commencer> ไม่มีใครมีความสุขเท่ากับหลวงพ่อถ้าจะหาแบบนั้นนะไม่มีใครมีความสุขเท่ากับเราถ้าจะเอาแบบนั้นไม่เอาการเอางานไม่เป็นสัมมาสติไม่เป็น ส, มสัมสมาสมาธิไม่เอาการเอางานสัมมาสมาธิเนี่มันเอาการเอางาน ตามหน้าที่ให้ถูกให้ท่องให้เกิดความชอบสิ่งไหนที่ไม่ชอบทำให้เกิดความชอบสมาสมาิสมาสติปัญญาทั้งนั้นไม่ชอบด้วยตนเองไม่ชอบกับคนอื่นสิ่งอื่นวัตถุอื่นหลายอย่างที่ทำให้เกิดความชอบเกิดสมาสมาัมมิเกิดสมาสติเกี่ยวกับอะไรก็ตามทำให้เกิดความเป็นธรรมสิ่งที่ไม่เป็นธรรมเมื่อ มีสัมมาสติสัมมาสมาธิก็เกิดความเป็นธรรมเกี่ยวกับอะไรก็ได้ปัญญาจึงไม่เป็นนั่งอยู่ในถ้ำในเหวอยู่ในถ้ำในกติในป่าในดงพรงไฟที่ไหนก็ต้องมาช่วยกันมาช่วยกันช่วยเราช่วยคนอื่นไปในตัวเสร็จถ้าจะว่าเรามันมีความจําเป็นสัมมาสติสัมมาสมาธิหรือปัญญาหรือศินสมาธิหรือปัญญามีความจําเป็น ใช่ให้มากมาใช่กับเราใช่กับคนหน่นสมาสติสมาสมาธิหรือศินสมาธิปัญญาเป็นอาวุธเป็นวัตถุประกอบที่จะนำไปใช้กับหลายๆสิ่งหลายๆอย่างได้ปลูกต้นไม้ลดน้ำต้นไม้ดูแลต้นไม้ต้นไหนที่มันเหี่ยวต้นไหนที่คนจะช่วย มันโกงมันเอน็นก็ปลอกไปปลอกเอาเชือกไปผูกมันช่วยอย่างไรมันไม่ทิ้งมองทัวน้อยก็เห็นขอร้องให้เราช่วยเหลื อ, อมันเกิดสมาสติสมา ส, สมาธิมันช่วยเห็นผู้เห็นคนก็ช่วยจิตจะช่วยเขามาหาเราก็ยิ่งดีถ้าเขาไม่มาเราจะต้องเดินเลยลองวัดป่าสุขโตไม่มีใครมาเนาะ ผมก็ไม่อยู่หรอกที่นี่นโอ้อยู่ไม่ได้จริงๆแกอยู่ทําไมก็ต้องไปหาสอนคนไปหาช่วยคนไปหาบอกคนอยู่ไม่ได้แน่นอนถ้าไม่มีใครมาจึงเป็นสัมมาสติสัมมาสมาธิเป็นศีลเป็นสมาธิเป็นปัญญามันโดยตรงแล้วมันก็ใช้ได้เมื่อมันหลงรู้สึกตัวมันใช้ได้เหมือนเราไม่เข้า มีอาหารเจ็บไววเวลามันหิวมันก็กินเวลามันหนาวมันก็ห่มผ้าเวลามันร้อนก็อาบน้ำมันปวดหนักปวดเบามันก็ไปทำให้หมดทุกข์หมดเรื่องหมดเหล่าไสตินี่ครบคุมชีวิตสติถ้าพูดอันเดียวคือสติแต่จะว่าอะไรมันก็อยู่ตรงน้ทั้งหมดสตติทั้งศีลทั้งสมาธิทั้งปัญญาทั้งสัมปชัญญะความอดทนทั้งเมตตาทั้งให้อภยัยทั้ง อะไรต่างๆทั้งศีลทั้งสมาธิทั้งปัญญาอันเดียวต้งงตอดจากเดียวก็ไปได้เหมือนเราเปิดประตูก็ไปได้หลายอย่างถ้าปิดประตูก็ออกไม่ได้เหมือนการเปิดตัวเองเนี่ยคือการมาเจริญสติมาดูกายมาดูจิตถ้าใครไม่เห็นกายไม่เห็นจิตไม่เห็นความโลภ ค, ความโกรธความหลงแสดงว่ายังไม่เปิดยังปิดอยู่ถูกกักถูกขังถูกซ้อมถูกเก็บถูกปวด ทุกทุกคนที่มีทุกข์คือกักขัตงขตัวเองคนที่มีความโกรธคือกักขังตัวเองคนที่มีความโลภความหลงคือกักขังตัวเองคนที่มีความวิตกกังวลสมองคือคนกักขังตัวเองคนที่ไม่ต้องเป็นอย่างนั้นคนกักขังตัวเองอะไรมาก็ถูกตรงนั้นแหละมันขังไว้แต่ปล่อยแล้วไม่มีมันก็ไม่มี์เลยที่จะถูกเพราะความรู้สึกตัวมันกำังปล่อยไข่คนแจ่แย่โซ่หลุดตกไป เราก็เห็นเห็นอะไรก็หลบได้หลีกได้เห็นโทษเห็นพิดเห็นภัยหลบได้ไม่ใช่ของมัดมือชกคนไม่รู้สึกตัวเหมืนอนเกบถูกมัดมือชก เ, นะเอามนะือควายหลังแล้วก็ชกหน้าเอาชกหน้าเอาจะปวดร่องห้หวยหัวเลาะโศกโศกคือคนถูกจำจองเอาไว้โซโซถ้าเรามีความรู้สึกตัวเนี่ย รูหลบเป็นปีกรูเหล็กเป็นหางมันหลงเราก็รู้เนี่ยมันทุกข์เราก็รู้เนีมันโกรธเราก็รู้นะมัน ร, ร, รนะน้อนมันหนาวมันปวดมันเมื่อยมันเป็นอะไรเราก็รู้อยู่ช่วยตั้งตัวเองได้ช่วยคนอื่นก็ได้ช่วยสิ่งอื่นวัตถุอื่ น, ก, นก็ได้นั่นแหละสัมมาสมาธิทําอะไรที่เป็นความชอบเกิดขึ้นความชอบมาช่วยเกิดอยู่ในท่านั่งสงบ ควาชอบจะต้องแสดงออกทางกายกรรมวิ ก, กิกรรมโนกับไม่ปากก็ต้องพูดไม่ตา ก, ก็ต้องดูไม่หูก็ต้องฟังไม่กายก็ต้องดูจักช่วยจักเหลือทําหนักให้เป็นเบาทํำยากให้เป็นง่ายด้วยมือด้วยแรงด้วยกําลังของเราไปบอกไปสอนช่างพูดช่างจาช่างบอกช่างสอนต้องแสดงออกกายกรรมวิ ก, กิกรรมโนกรับให้เป็นเกิดผลหมดทุกข์หมดยาก เราสอนให้คนจเจริญสติเราก็ทำให้เขาดูนันยกมือสร้างจังหวะเลินจงกรมให้เขาดูให้เขาทำตามเราเป็นครูครูต้องจองแสดงถ้าไปนั่งหลับงูหลับตาให้เขาดูนะไม่ทำอะไรนั่งปิดตาอยู่เป็นวันเป็นเดือนปิดประตูไว้ปิดประตูแล้วยังไม่พอยังปิดตาเขาไปอีกปิดตาเลยไม่พอต้องหลับเข้าไปภายในเรือยๆไม่รู้เลย มันจะพัฒนาประเทศชาติได้อย่างไรต้องออกมาต้องลุกขึ้นพากันนั่งยกเมืงสร้างจังหวะพากันเดินจงกลรมหากันไปปรุงอาหารพากันทําความสะอาดพากันดูแลวัตถุสิ่งของพากันดูแลกายใจพากันดูแลคนอื่นด้วยรางวาลคุณหมอประเทดุงก็ทําความสะอาดเห็นตักน้าละดาราหอวใจคนเดียวกลางๆๆอ้าวเอาแล้วเอาแล้วคุณหมอประเทดุงก็แล้วหลวงพก็เดินผ่านไปเฉย เออพอจะต้องไปดูตนมาว่าจะไปช่วยจยันสมชายหลวงพอ่อสมชายปลูกมะพร้าวพอไปดูแล้วไม่เห็นถือกล่องนมไปถือถุงนมไปกลัวใ ห, ให้เอาถุงนมไปฝากจาันสมชายหลวงพอ่อสมชายพอไปดูป่าพ่าเด็กไปปลูกปาก่ารีบกลับมาว่าได้กล่องนมไปดูจันสมชายหลวงพอ่อสมชายผูกว่าไม่เห็นหละ เห็นแต่ต้นมาเผ้าปลูกรอบสะล้อยต้นปลูกเลยทราบว่าคนหมูไปช่วยด้วยใครไปช่วยด้วยปลูกแต่ว่าปลูกคนเดียวอะไรตั้งล้อยต้นโอ้โหเป็นประวัติศาสตร์เลยอผมชวนเขาว่าวันนี้เราปลูกต้นมะพร้าวลอยต้นรอบโูส ะ, ะปลูกแบบไหนปลูกแบบนั้นแบบนี้พอบอกกันแล้วติดเด็ก ติดอยู่กับเด็กงานกลับไปครับมากลับไป ก, ก, ไปก็เลยไม่ได้เลยพอเดินผ่านมาลาเห็นคนหมอประเถืองวางหอไตอ๋โอ้เน่ต้องดูแลอย่างนี้สมาสติสมาสมาธิถ้าเห็นความสโสโคกแล้วเลยไปสมาสมาธิไม่เกิดมันก็หมกหมมอยู่ตรงนั้นสมาสมาธิต้องเป็นงานเป็นการช่วยสิ่งไม่ดีให้เกิดความดี ช่วยสิงไม่ชอบให้เกิดความชอบขึ้นมาอะไรที่มันทำได้ปฏิบัติได้แล้วทำได้มันสกปรกทำให้มันสะอาดแล้วก็ทำให้เกิดความสะอาดแล้วก็สะอาดได้สมาสมาธิทั้งนั้นสมาสติทั้งนั้นสัมมาหรือปัญญาทั้งนั้นเน่ยมันครบคุมทุกอย่างครบวงจรศีล ส, สมาธิปัญญาสมาธิเนี่ยก็ครบวงจร เป็นพลังอ่านหนังสือก็รู้เรื่องเอาสิ่งเอาของเก็บคุณแจเปิดประตูเปิดหน้าต่างรู้เรื่องรู้ราวสมาสมาธิถ้ามันเป็นสมาสมาธิมันเป็นสมาสติในอริมักสมาสติสมาสมาธิสุดยอดเลยทีเดียวมักไม่ยองแปดสมาสมาธิสุดยอดแลวทำอะไรสำเร็จนี่ เออไม่ต้องกลัวดอกมันก็ไปข้างหน้าเราเดินไปข้างหน้ามันก็ต้องไปข้างหน้าก้าวไปข้างหน้ามันต้องไปข้างหน้าแล้วไม่ได้ถอยหลังคนหลงต่างหาคือคนถอยหลังคนรู้สึกตัวคือก้าวไปข้างหน้าก้าวไปข้างหน้าผ่านอะไรผ่านความหลงผ่านอะไรทุกอย่างแตวันขวางหน้ารู้สึกตัวผ่านความหลงผ่านความมุ่งผ่านความไม่ตกควาวุ่นผ่านไปตะบุตะเก่งเข้าไว้เก่งเข้าไว้ ผ่านความโลภความโกรธความหลงผ่านทุกตลอดที่สุดที่สุดของชีวิตถึงจุดหมายปลายทางสําเร็จจนไม่มีอะไรทํามันไปข้างหน้าจะเป็นการเดินทางสุดแผ่นดินแต่ว่าแผ่นดินมันไม่สุดมันโลกมันเป็นวงกลมเราไปข้างหน้ามันก็กลับคืนมาเหมือนเดิมมันกลม มันหมดแดงไตขอบกระดุกมันก็ไปทางเดิมไปทางเดิมเรานั่งเครื่องบินไปทางเที่ยตอนออกมันก็มาทางเดิมมันก็มาแบบนี้มันก็วนอยู่นงอย่างสหรัฐอเมริกาเนี่ยเราชี่ไปทางไหนมันไม่ถูกขี่ไปข้างหน้ามันไม่ได้ตรงแบบมันโค้งลงมาแบบนแต่เราขี้มันถูกก็ตรงเนี่ยตรงที่เรานั่งอยู่เนี่ยไตคนเราเนี่ยเพราะฉนั้นคนที่จเจริญสติผู้ที่จเจริญสติ มันก็ไปข้างหน้ามันก็เอาอะไรไว่หลังว่หลังของที่ผ่านหน้าผ่านตาของที่เอาว่ข้างหลังเพราะมันเห็นแล้วถ้าของที่อยู่ข้างหลังได้เพราะมันเห็นแล้วเห็นที่มันอยู่ข้างหน้าเอามาว่ายข้างหลังบ่อย <c oughs> ๆมันก็เกิดสมาถสติเกิดสมาสมธิเกิดปัญญาตรงนั้นไปพร้อมๆกันแล้วไปพร้อมๆกันแลว้วของที่อยู่ข้างหลังก็ต้องเห็น เห็นเรี่ยวมันจึงเอาไว้หลังเห็นอยู่บ่อยๆมันก็เกิดปัญญาเห็นกายมันก็เกิดปัญญาเรื่องกายจนเห็นว่ากายสภาวะกายไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนเราเขาเห็นเวทนามันเจ็บมันปวดต้องเห็นเราเดินไปข้างหน้าก็ต้องเห็นไม่เห็นก็เห็นมันทําให้เห็นไม่มีอะไรที่จะมุดไม่ให้เราเห็นเรื่องของกายของใจจะออกมาให้เราเห็นแสดงให้เราเห็นจนหมดเปลือก มันก็มีปัญญามันก็มีสติมันก็มีสมาธิมันก็มีปัญญาตรงนั่นแหละศีล ส, สมาธิปัญญาเหมือนก็จักลุยไปเลยลุยแหลกไปเลยเหมือนคลาดเหมือนไถลุยพิกแผ่นดินไปเลยเป็นปุยเป็นผงไปเลยเลียบไปเลยหายไปเลยเหมือนกับแถวสลาหอดใจแถวเนี้ยก่อนเป็นป่าพงป่าหญ้าค่ะ เอารถแท็กเตอร์ลุยไปเลยแหลกไปเลยแทบจะไม่ไม่มีหญ้าขาป่าพงก็มีทนยางขึ้นมาแทนมันลุยไปแหลกทำมาจักจักแห่งธรรมคือศีลคือสมาธิคือปัญญาแหลกไปเลยอะไรที่ไม่มีประโยชน์แหลกไปเลยเกิดประโยชน์เกิดประโยชน์เ ก, ชนเกิดมรรคเกิดผลใช่ได้หรือปล่าไหนชีวิตของเราใช่ได้เป็นมรรคเป็นผลเป็นมรรคเป็นผล ออยู่เช่นนั mercado, ้นม er well. ันคนมีอาหารหิวก็จินมันหิวก็จินมันหิวก็จินแล้วก็ไม่ตายนะแต่คนโกรธแต่มันโกรธไม่รู้จกเปลี่ยนความโกรธเป็นความไม่โกรธมันก็ตายอยู่ในความโกรธแต่มันทุกข์มันรู้จักเปลี่ยนความทุกข์ให้เป็นความไม่ทุกข์ก็ตายอยู่ในความทุกข์แ้วมันหลงไม่เปลี่ยนความหลงให้เป็นความไม่หลงก็ตายอยู่ในความหลงมันเกิดมันดับมันตายอยู่ มันก็ล้มฝังศพแห่งภพแห่งชาติอะไรก็ตายอยู่ตรงนั้นตายอยู่ตรงนั้นไม่ตายคือไม่ตายอย่างน้งมันหลงไม่หลงมันทุกข์ไม่ทุกข์คือไม่ตายมันโกรธไม่โกรธมันเกิดอะไรเคลื่นเกี่ยวกับกายเจี๊ยวใจเนี่ยไม่จนสักอย่างเลยนะสมาสติสมาสมาธิในอริมัติไม่ใช่นั่งหลับตาไม่รู้อะไรไม่ใช่แบบนั้นแล้วเขาก็ขึ้นหน้าขึ้นตาถ้าปฏิบัติทําอยากให้มันสงบ อ๋อลับตาลงไปอ๋อบริกรรมลงไปแล้ลงไปบริกรรมลงไปพุโทโธยุบหนอพองหนอลงไปลงไปบางทีก็สงบบางทีก็ตัวแขีงได้กั้นหายใจสักหน่อยพอมันตามมันตามไรู้ไม่หายใจนะลเลยกึบ้าไปเลยตัวแขีงเข้าไปปฏิเสธอะไรทั้งหมดระเบียบเนี่ยไม่รู้อะไรออกมาหน้าซีดไปเลย เสียศูนย์ไปก็แม่อ่อนแอไปเลยปวกเปียกไปเลยอินทรีย์อ่อนแอไม่สู้ไม่สู้มันก็ต้นไม้อยู่ในร่มเอาไปปลูกกลางแดดเหี่ยวตายไปเลยเราหัดต้นไม้ต้นไม้แล้วอ่อนก็ไว้ในร่มสักหน่อยแล้วก็ค่อยเอาออกไปกลางแดดอ่าลำรีลาไรสักหน่อยสเสงแดด พอจะโป่งเงี้ยก็ไปว้กลางแดดจริงๆแล้วก็ลดรั้วให้มันตั้งตัวแล้วมันก็แข็งแกร่งหรือตอนน้อยกลางแดดก็หัดเอาเข้าในล่มในแดดลําไรลํำไรกลับเข้ามากลับเข้ามาเอามาว่าในร่มในรมในร่มจนไม่มีเสียงแดดมันก็ปรับเข้ามามันก็อยู่ได้จะเอาไว้ในห้องในบ้านในเรือนได้เราหัดมันเล่าหัดชีวิตของเรานี่ยหัดให้มันรู้มันรู้มันรู้น่ยมันก็หัดได้ มันอ่อนแดมก็เกิดความเข้มแข็งมันไม่ลู้เกิดความลู้ขึ้นมาเกิดประสบการณ์เกิดบทเรียนเป็นสติเป็นสมาธิเป็นปัญญามันก็ได้ปัญญาได้สติได้สมาธิจากความเป็นจริงเนี่ยเราลู้สึกตัวเคลื่อนไหวไปมานี่เคลื่อนไหวไปมานี่เราลู้สึกตัวเนี่ยเราลู่สึกตัวเราไม่ได้เคลื่อนไหวฟรีๆเราลู้สึกตัวเราลู้สึกตัวเนี่ยมันฟรีเมื่อไหร่ เพื่อนที่ได้ก็รู้ว่าน่ะเอาประโยชน์จากการเคลื่อนการไหวแต่ไปนั่งอยู่มันจะได้อะไรมันก็ได้นั่งได้ความคิดได้การพวงแต่งได้ไม่รู้อะไรไม่ประสบการณ์ไม่มีบทเรียนจากอะไรนี่เราสร้างขึ้นมาัมก็ได้บทเรียนจากการยกมือรู้สึกตัวเอามันปวดมันเมื่อยก็รู้สึกตัวเวลามันปวดมันเมื่อยได้ความรู้สึกตัวเวลาสุขเวลาทุกข์ได้ความรู้สึกตัวเวลามันหลงได้ความรู้สึกตัวเวลามันอะไรต่าง อันที่มันเกิดกับกายขับใจมันเป็นปัญญาทั้งหมดเลยบันนี้แต่ก่อนมีปัญหาบันนี้มันกลายเป็นปัญญาอย่างแนะนี่นะนปฏิบัติทำการเจริญสติปัฏฐานไปทางนี้รู้อย่างนี้เห็นอย่างนี้ทำได้อย่างนี้หลุดพ้นไปได้แบบนี้ถ้าไม่เห็นมันไม่มีโอกาสที่จะหลุดพ้นได้สิ่งที่มันจะพ้นได้มันต้องเกิดการเห็นพ้น กายกายสว่ากายแล้ววะนไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนเราเขาเราไม่เห็นทำไมขอนเป็นกูความทุกข์ที่เกิดจากกูอยู่กับกายเนี่ยอ้ยมากมายเป็นได้หลายอย่างเป็นกิเลสตัณหากูกูอย่างนั้นเอากายเป็นเครื่องวัดเอากายเป็นเครื่องบ่งการเอากิจเอาใจเป็นเครื่องบ่งการเอาเวทนาเป็นเครื่องบ่งการเอาอารมณ์เป็นเครื่องบ่งการ สั่งการเราเป็นที่ค่าของกายเราเป็นที่ค่าของเวทนาเราเป็นที่ค่าของความคิดเราเป็นที่ค่าของอารมณ์ต่างๆแัดนี้อิสระแล้วจากกายจากเวทนาจากกิจจากธรรมมีแต่สติรู้สึกตัวรู้สึกตัวรู้สึกตัวยางไง